ดำเนินรายการโดยดรนิสากรไพบุญสินควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคุณกนิษฐ์ทองเงาสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผูฟังเข้าสู่รายการมุมมองข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 เมกะค่ะ วันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่3กันยายนนะคะเราขึ้นมาเดือนที่9ของปีแล้วค่ะและเป็นเดือนที่มีความหมายมากนะคะสำหรับผู้ที่จกกะเกษตรอายุราชการในปีนี้เนื่องจากว่าก็จะเป็นเดือนของการลับรชการนะคะที่เรียกว่าหมดปีงบ ป, ประมาณแล้วนะคะเราก็จะขึ้นปีงบ ป, ประมาณใหม่ในเดือนตุลาคมแต่อย่างไรก็ตามค่ะโลกก็เปลี่ยนไปทุกวันนะคะ รายการมุมมองข่าวก็นำเอาความเปลี่ยนแปลงของโลกนี้มานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวของรัฐบาลท้องถิ่นเซี่ยงไฮ้ที่ได้ออกนโยบายสนับสนุนให้ชาวต่างประเทศเข้ามาดำเนินธุรกิจในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้และออกนโยบายสนับสนุนมากที่สุดเลยนะคะถึง50ข้อด้วยกัน เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะว่ากันว่านโยบายนี้นะคะถือเป็นการลดบทบาทของฮ่องกลงลงไปอีกด้วยค่ะจะเป็นอย่างไรฟังเพลงจากรายการกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดค่ะ ทำนองแห่งความลังระหว่างเราได้ยินเมื่อไรยิ่งนึกถึงวันเก่านา น, นานแค่ไหนแต่เพลงนี้ของเรายังทุ่มอยู่ในใจเพลงแห่งความรักที่เธอร้องเป็นอย่างไร เงาเธอจะคิดถึงเพลงของใครตั้งแต่จากกันวันนี้เธอเป็นไงฉันอยากจะรู้มนนาลิกามันไม่เคยคี้เกียจเดืนละวันเวลาเธอไม่ทุกทุกสิ่งเปลี่ยนไปแวยความทรงทำที่ด้ทุกอย่างยังคงเก็บไว้ ยังคง ม, มีแต่เธอเหมือนเดิไม่เคยเปลี่ยนยังมีแต่เธอเหมือนเดไม่เคยเปลี่ยนไปยิ่งเวลาอ้างว้างที่ไรในใจเธอยิ่งโหยหายังคงมีบทเพลงของเราเมื่อวันวานได้ยินเมื่อไรหัวใจ ได้ รัฐบาลท้องถิ่นเซี่ยงไฮ้ได้ออกนโยบายสนับสนุนให้ชาวต่างประเทศเข้ามาดำเนินธุรกิจในเขตการค้าเซีเ่ยงไฮ้ซึ่งนโยบายดังกล่าวนี้นะคะมีมากกว่า50ข้อและ50ข้อนี้ก็จะประกอบไปด้วยกันให้สิทธิพิเศษในหลายๆด้านคะ่ะไม่ว่าจะเป็นด้านภาษีด้านที่อยู่อาศัยและ ผลนะคะกับนโยบายนี้นะคะก็จะเริ่มในวันที่1กันยายนซึ่งก็ซึ่งก็ได้เริ่มมาแล้วนะคะเมื่อ2วันที่ผ่านมานี่เองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะรัฐบาลจีนก็ยังมีแผนที่จะขยายพื้นที่เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้เพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะ ความเคลื่อนไหวนี้นะคะเป็นทางออกของจีนหลังจากที่แคร r รีคัตโลได้กล่าวกับสถานีโทรทัศน์ CBS ในช่วงสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าเขาอาจจะเสนอให้ประธานาธิบดีสหรัใช้ข้อกฎหมายปี1977เพื่อสกัดไม่ให้บริษัทเอกชนของสหรัฐทำกิจกรรมทางธุรกิจกับประเทศจีนแม้ว่าล่าสุดจะมีข่าวดีถึงการเจรจาการค้าจากทั้งสงประเทศก็ตามค่ะ ทีนี้เรามาดูนโยบายของเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้นะคะที่ได้ออกนกโยบายมาเกือบ50ข้อนะคะก็จะขอยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการอุดหนุนภาษีเงินได้ส่วนบุคคลทั้งนี้ก็เพื่อจะให้ชาวต่างชาติที่มีความสามารถมาทํางานในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้โดยรัฐบาลท้องถิ่นเซี่ยงไฮ้ตั้งใจที่จะอุดหนุนอัตราภาษีเงินได้ส่วนบุคคลให้ใกล้เคียงกับฮ่องกงมากที่สุด เรื่องนักเรียนชาวต่างชาติที่ต้องการเปิดธุรกิจในเขตการค้าเซีเซ่ยงไฮ้ก็สามารถขอ Work p e r พ i t มได้โดยตรงกับรัฐบาลท้องถิ่นและถ้าหากผ่านการอนุมัติแล้วก็จะได้เป็นเซี่ยงไฮ้อุวซีทานเลนเ n ส e เดนต์เพ p e r ม i t ด้วยค่ะชาวต่างชาติที่มีฝีมือที่ทำงานในเขตการค้าเซลี่ยงไฮ้มีสิทธิ์ที่จะทดสอบเพื่อรับสิทธิ์ในการซื้อสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนได้ รวมไปถึงราคาที่อยู่อาศัยในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้จะมีการกําหนดราคาขณะที่พื้นที่บางส่วนรัฐบาลท้องถิ่นเซี่ยงไฮ้จะเปลี่ยนเป็นอพาร์ตเมนต์นอกจากนี้ยังมีการลดภาษีนิติบุคคลเพื่อให้บริษัทต่างชาติที่สนใจเข้ามาเปิดฐานการผลิตหรือสํานักงานในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใหม่ๆอย่างเช่น AI เซมิคอนดักเตอร์ไบโอเทคโนโลยีหรือจะเป็นอากาศยานค่ะ และรัฐบาลทองถิ่นเซี่ยงไฮ้เตรียมที่จะขยายพื้นที่เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้อบไปอีกนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ120ตารางกิโลเมตรตอนนี้ก็เตรียมถมทะเลในบริเวณใกล้เคียงกับเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮเดิมค่ะคาดว่างบประมาณลงทุนก็เพื่อที่จะดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้ามาเปิดธุรกิจในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้อยู่ที่1แ0นล้านหยวน และบริษัทต่างประเทศที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเทส l a m o เตอร์หรือจะเป็นบริษัทอื่นๆก็ตามนะคะทางรัฐบาลท้องถิ่นเซี่ยงไฮ้ก็จะออกมาสนับสนุนให้ชาวต่างชาติที่มีความสามารถทำธุรกิจภายในประเทศจีนได้ง่ายขึ้นมากกว่าในอดีตค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมี เรื่องของการห้ามชาวต่างชาติเปิดธุรกิจบางธุรกิจตอนนี้นี่นะคะก็มีข้อกำหนดใหม่ออกมาแล้วนะคะซึ่งนโยบายล่าสุดของจีนก็เพื่อที่จะพยายามลดบทบาททางเศรษฐกิจของฮ่องกงลงนะคะหลังจากที่เกิดความไม่สงบ จากการชุมนุมและก่อนหน้านี้นะคะจีนก็พยายามนะคะที่จะเพิ่มบทบาทมื่นอื่นของจีนเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเซนตจเจนหรือแม้แต่พื้นที่เกตเตอร์เบย์เอเรียนะคะรวมไปถึงเซี่ยงไฮ้นะคะดังที่ฉันเรียนให้คุณฟังได้ทราบนะคะดฉันนำเอาข้อมูลมาจาก South China Morning Post ค่ะ ที่นี้นะคะก็มาพูดถึงเรื่องของงาน World Artificial Intelligence Conference ที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีควันหลงมานะคะโดยคุณแจ็คมาได้พูดในงานนี้นะคะบอกว่าในยุคสมัยนี้นะคะหุ่นยนต์ AI จะเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น มนุษย์จะทำงานเพียงแค่12ชั่วโมงต่อสัปดาห์และจะทำงานเพียงแค่สัปดาห์ละ3วันเท่านั้นโดยเฉลีย่ยแล้วนะคะมนุษย์ก็จะทำงานวันละ4ชั่วโมงแต่ในอนาคตนะคะหุ่นยนต์ AI ก็จะเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ให้มากขึ้นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและแจ็คมาบอกว่าเขาไม่ได้วิตกกังวลอะไรกับการเข้ามาแทนที่ของหุ่นยนต์แต่อย่างใดเลยเพราะว่าคอมพิวเตอร์มีแต่ชิป แต่มนุษย์มีหัวใจและหัวใจของมนุษย์นี่เองคือที่มาของปัญญานี่ก็เป็นคำพูดของแจ็คหมานะคะที่พูดในงาน World Artificial Intelligence Conference คุณผู้ฟังคะแจ็คหมาานวันนี้จะพูดว่ามนุษย์ในยุคหุ่นยนต์ AI จะทำงานเพียงวันละ4ชั่วโมง3วันรวมเป็น12ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ก็ต้องอย่าลืมนะคะก่อนหน้านี้รายการมุมมองข่าวเคยนาเสนอว่าแจ็คมาได้เคย เป็นอ่าได้เคยพูดเอาไว้นะคะว่าการทํางานแบบ996าเะค่ะเพราะว่าแจ็คมาคือผู้สนับสนุนวัฒนธรรมการทํางานหนักวัฒนธรรมการทํางานแบบ9ก้ของเขาก็คือการทําตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึง3ามทุ่มและทํา6วันต่อสัปดาห์และเขาเคยบอกไว้ว่าถ้าอยากร่วม ง, งานกับอาลีบาบาต้องรู้ไว้เลยว่าจะได้ทํางาน12ชั่วโมงต่อวันถ้าไม่อย่างนั้นอย่าสมัครดีกว่านะคะแต่ นอกจากนี้นะคะเขาก็ยังได้บอกอีกว่านอกจากจะทำงานวันละ12ชั่วโมงแล้วเขาเราก็ควรจะต้องทำงานทุ่มเทนะคะให้กับบริษัทที่เราทำงานอีกด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะควันหลงจากงาน World Artificial Intelligence Conference นะคะที่เป็นงานที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศสาธารณารัฐประชาชนจีน คุณผู้ฟังคะกลับมาที่บ้านเรากันบ้างนะคะตอนนี้ก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าราคาข้าวเหนียวมีราคาที่สูงขึ้นนะคะถึงกระสอบละ4ี่พันสี่รอยบาทนะคะในขณะที่กรมการค้าภายในได้ออกคำสั่งเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการห้ามกักตุนข้าวเหนียวนะคะโทษจำคุกสูงสุดเจดปีและทั้งจำทั้งปรับคะ่ะ นายจุลินลักษณะวิสิทธิรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับคณะที่ปรึกษาและอธิบดีกรมการค้าภายในเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาราคาข้าวเหนียวในตลาดได้ปรับตัวสูงขึ้นเขาได้สั่งการให้กรมการค้าภายในออกคําสั่งให้โรงสีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องรายงานสต๊อกข้าวเหนียวเพื่อป้องกันการกักตุนข้าวเหนียวซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในขณะนี้ค่ะ โดยถ้าหากว่ามีผู้กระทําความผิดรายงานสต๊อกข้าวเหนียวไม่ตรงตามความเป็นจริงต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทจําคุกไม่เกิน5ปีหรือทั้งจําทั้งปรับและถ้ามีการกักตุนข้าวเหนียวต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 1,000 งแบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะคะนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังเชิญภาคเอกชนทั้งโรงสีผู้ส่งออกข้าวผู้ค้าข้าวมหาลือในแนวทางการช่วยเหลือผู้บริโภคคะ่ะ โดยจะทำข้าวเหนียวบรรจุถุงราคาธงฟ้าซึ่งก็จะมีราคาที่ถูกลงนะคะแต่เมื่อมีคนถามว่าทําไมราคาข้าวเหนียวสูงขึ้นนะคะก็เนื่องจากปัญหาภัยแรงนานหลายเดือนเลยค่ะพื้นที่ปลูกข้าวเหนียวอย่างเช่นพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือก็ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักก็ส่งผลเสียหายมีพื้นที่กว่า6 0 0 0 0ไร่จากพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด16ล้านไร่นะคะ และนอกจากภัยแรงแล้วก็ยังเป็นช่วงรอยต่อของฤ ด, ดูกาลที่ผลผลิตข้าวเหนียวเก่ากาลังจะหมดนะคะแล้วข้าวเหนียวใหม่กำลังจะออกสู่ตลาดส่วนหนึ่งชาวนาก็เก็บไว้บริโภคเองนะคะก็ส่งผลให้ข้าวเหนียวขาดแคลนผู้จำหน่ายก็ต้องปรับราคาสูงขึ้นนะคะหรือไม่ก็จำหน่ายในราคาเท่าเดิมแต่ลดปริมาณลงมานะคะดังนั้นคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ซื้อข้าวเหนียวนึ่งนะคะที่ ที่พร้อมฐานเนี่ยค่ะก็จะพบว่าเอ๊ะทำไมราคาสูงขึ้นหรือบางเจ้านะคะก็ลดปริมาณลงนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเรื่องนี้นะคะก็จะไม่เป็นผลระยะยาวนะคะเนื่องจากว่าข้าวในฤดูการใหม่ก็กําลังจะออกนะคะดังนั้นนะคะก็อย่ากักตุนนะคะในเรื่องของสินค้าเลยนะคะเพราะว่าเมื่อข้าวเหนียวฤดูการใหม่ออกนี่หอมมากเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เหนียวนุ่มอร่อยจริงๆนะคะ สำหรับเรื่องนี้นะคะสถานการณ์ในด้านราคาและปริมาณผลผลิตที่ขาดแคลนก็จะค่อยๆคลี่คลายลงนะคะดังนั้นก็ไม่ต้องวิตกกังวลกันนะคะถึงเรื่องนี้นะคะช่วงนี้ฟังเพลงกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวมาพบกันในมุมมองข่าวช่วงที่สอง อลายครั้งที่ใจคิดถไปทำตามใจฉันเองสักวันไปเจอท้องฟ้าสีครามที่สดใสไออุลลมพัดฉลมงกายไปเจอพื้นน้ำพระยิบและพรางภายนอนลัปตาพักใจคลายเป็ความหวังและนความฝัน ล, ลองลอยมาและหายจางไปเป็ความหมายแห่งรักจบลง แค่ทิ้งมันไปนเ t เลสายลมจะปลอบใจลาเท่าไรเอ็นกาพักใจผ่อนคลายทิ้งมันไปพรุ่งนี้เรมหมอีกครั้ง oh. แ a ่ทิ้งมัน h ปเทเ t สายนมจะปลอบใจทุ w เท่าไรเอนกายพักใจผ่อนคลายทิ้ Doo doo doo doo, doo doo d d o d o d o o o d d o d o d o o o d d o d o d o o o d o o d คุณผู้ฟังคะช่วงมุมมองข่าวในช่วงที่สองไปที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวกันนะคะที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะตอนนี้ก็กาลัง ขยายในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าการท่องเที่ยวก็เป็นหนึ่งในธุรกิจสําคัญที่สร้างรายได้ให้กับประเทศนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะก็ได้มีการวางแผนที่จะใช้อุตสาหการรมท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศค่ะแล้วก็จะสร้างแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อเป็นแลนด์มาร์คใหม่ให้เหมือนกับบาหลีที่มีทั้งรีสอร์ทวิวทะเลภูเขาไฟสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมวัดและแม้แต่ที่นาค่ะ และจากข้อมูลนะคะก็มีนักท่องเที่ยวจีนกว่า120ล้านคนเดินทางออกนอกประเทศแต่ว่ามาที่อินโดนีเซียรประมาณ1เปอร์เซ์เท่านั้นดังนั้นประธานาธิบดีโจโกวิโ ด, โดโดก็จะขยายเป้าหมายในการเพิ่มนักท่องเที่ยวจีนอีกเท่าตัวนะคะโดยการทำโฆษณาประเทศอินโดนีเซียไปที่ประเทศจีนในจุดสาคัญสคัญต่างๆซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้เข้าประเทศคะ่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะเกาะบาหลีก็ยังคงเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวนะคะหลายๆชาตินะคะก็มาท่องเที่ยวกันค่ะเนื่องจากว่ามีครบหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาแล้ววัฒนธรรมสำหรับแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียนะคะ ประธานาธิบดีโจโกวิโดโดก็บอกว่านะคะก็จะเป็นตัวช่วยในยเรื่องของเศรษฐกิจประเทศให้เจริญเติบโตได้ถึงเจ็ดเปอร์เซนตแล้ววางแผนที่จะเพิ่มนักท่องเที่ยวต่อปีเท่าตัวให้ได้ถึง20ล้านคนในปีนี้นะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวที่ประเทศบาหลีเนี่ยถึง9ล้านคนด้วยกันและจาเป็นนะคะที่จะต้องสร้างบาหลีเพิ่มขึ้นอีก10แห่ง ซึ่งจะทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียซึ่งปกตินะคะก็จะอยู่กับสินค้าโภคภัณฑ์เช่นน้ำมันปลาล์มถ่านหินก็จะมีทางเลือกเพิ่มเข้ามาก็คือการท่องเที่ยวค่ะเรายังคงอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะประธานาธิบดีโจโกวิโดดนะคะได้วางแผนนะคะที่จะย้ายเมืองหลวงออกจากกรุงจาการ์ตาแล้วนะคะเนื่องจากว่า กรุงจาการ์ตานี้นะคะก็มีในเรื่องของการสูบน้ําใต้ดินนะคะการที่มีน้ําทะเลนี้นะคะก็จะเข้ามานะคะทําให้อนาคตเนี่ยอาจจะต้องจมน้ํานะคะแต่ตอนนี้เนี่ยที่กรุงจาการ์ตาก็ประสบปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมด้วยนะคะในเรื่องของการวางแผนนะคะที่จะย้ายเมืองหลวงออกจากกรุงจาการ์ตานะคะก็จะไปอยู่ที่เมือง巴拉กราร์รยานะคะซึ่งอยู่ที่เกาะโบอเนียวห่างจาก กรุงจาการ์ตาไปทางตะวันออกเชียงเหนือ900กิโลเมตรนะคะซึ่งในเรื่องนี้นี่นะคะการย้ายเมืองหลวงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆนะคะแต่จะต้องมีการวางแผนนะคะถึง10ปีด้วยกันแล้วก็มียอดค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่1ล้านล้านบาทนะคะเพราะว่าการทำ ย้ายเมืองหลวงนี่นะจะต้องทำยุทธศาสตร์ใหม่ซึ่งเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์ชาติของอินโดนีเซียเลยค่ะแล้วก็การย้ายเมืองหลวงเนี่ยก็จะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ห่างไกลแล้วก็ถูกทิท้งมานานก็ถือเป็นวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศอีกแห่งหนึ่งเลยนะคะ ทีนี้ประชากรนะคะที่อยู่ในกรุงจาการ์ตาต่างก็เห็นด้วยกับท่านประธานาธิบดีนะคะที่จะย้ายเมืองหลวงเพราะว่ากรุงจาการ์ตานี้นะคะมีประชากรเนี่ยแออัดแล้วก็มีเหตุผลทางด้านภูมิศาสตร์นะคะมีปัญหาการจราจรแล้วก็ขาดแคลนที่อยู่อาศัยจาการ์ตาถือเป็นหนึ่งในเมืองที่มีโอกาสที่จะจมน้ำเร็วที่สุดในโลกนะคะเนื่องจากการสูบน้าบาดาลขึ้นมาใช้ แล้วก็มีประชากรนะคะกว่า30ล้านคนนะคะซึ่งถือเป็นอัตรา 10% เเซนของประชากรทางประเทศกรุงเทพมหานครนะคะมีประชากรอยู่อาศัย10บล้านคนนะคะแต่จาการามีถึง30บล้านคนแล้วจาการตาก็ยังเป็นเมืองที่มีการจราจรติดขัดย่ำแย่ที่สุดในโลกด้วย แน่นอนเลยค่ะว่าถ้าการย้ายเมืองหลวงก็จะบรรเทาในเรื่องต่อไปนี้นะคะและที่สำคัญนะคะก็จะมีการกระจายเศรษฐกิจไปสู่เมืองอื่นของประเทศนะคะไม่ต้องกระจุกอยู่ในที่เดียวนะคะแต่ยังลืมนะคะว่าเมืองใหม่นะคะคือปรรารังการไรยานีนะคะก็ถือเป็นเมืองท่าด้วยดังนั้นก็จะต้องเสริมยุทธศาสตร์แล้วก็ใช้ประโยชน์จากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเกาะ ได้อย่างเต็มขีดความสามารถนะคะแต่ระยะเวลาในการย้ายเมืองหลวงนี้อยู่ที่10ปีค่ะคุณผู้ฟังคะอินโดนีเซียไม่ใช่ประเทศแรกในโลกที่ต้องการจะย้ายเมืองหลวงนะคะตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตรวรรษที่ผ่านมามีประเทศจํานวนไม่น้อยเคยเปลี่ยนทําเลที่ตั้งของเมืองหลวงด้วยเหตุผลต่างๆค่ะอย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆเราก็คือประเทศเมียนมา ก็ได้ย้ายจากย่างกุ้งนะคะไปอยู่ที่กรุงเนปิดอ์ปากีสถานก็เช่นเดียวกันนะคะปากีสถานเคยย้ายเมืองหลวงจากกรุงกระจีที่เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีประชากรอาศัยหนาแน่นมากที่สุดมาอยู่ที่กรุงอิสลามาบัดนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็สร้างเมืองหลวงใหม่ที่เมืองลาวันปินดีนะคะก็เคยเป็นเมืองหลวงของปากีสถานในระยะเวลาหนึ่ง แต่ในปัจจุบันนะคะกาฬาจีก็ยังคงได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงทางเศรษฐกิจของปากีสถานค่ะที่ประเทศไนจีเรียเช่นกันค่ะเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในแอฟริกาก็เคยประกาศย้ายเมืองหลวงเมื่อต้นศตวตรรษที่1990ที่ผ่านมาเนื่องด้วยกา ร, รเผชิญสภาพปัญหาความแออัดของประชากร ความแตกแยกทางการเมืองจึงทำให้ทางการไนจีเรียเริ่มต้นออกแบบเมืองหลวงใหม่ชื่อกรุงอาบูจาซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงเก่าเดิมคือลากอสนะคะอยู่ที่480กิโลเมตร <Started. S 2> ประเทศคาซักสถานเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกโล ก, ก็เคยย้ายนะคะเมืองหลวงจากอนันมาตีมาอยู่ที่กรุงอัสตานาและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นนูซุนตานะคะซึ่งก็เป็นเกียรติแก่ ป, ป, ประธานาธิบดีคนแรกของขาซักสถานที่ครองประเทศมานานเกือบ30ปี ะะแล้วก็ใกล้ๆเราในฐานที่เรียนให้คุณผู้ฟังทราบแล้ว ก, ก็คือประเทศเมียนมานะคะก็มีประสบการณ์ย้ายเมืองหลวงตั้งแต่ปี2005ที่ผ่านมาย้ายจากกรุ ง, ย, ง, งย่างกุ้งไปยังกรุงเนปิดอสาเหตุนะคะในการย้ายเมืองหลวงอาจจะไม่แน่ชัดนะคะแต่ว่าที่ย่างกุ้งก็เป็นเมืองที่อยู่ริมอ่าแม่นม้ำแล้วก็ใกล้ทะเลด้วยนะคะจึงเชื่อว่าเป็นจุดทําเลที่ตั้งใหม่นะคะที่อาจจะ ดีกว่าเดิมเพราะว่ากรุงเนปิดอนนี้นะคะก็จะเข้าไปข้างในนะคะอาจจะไม่มีปัญหาในเรื่องของน้าท่วมนะคะอินโดนีเซียก็เช่นกันนะคะเป็นประเทศที่ล่าสุดนะะประกาศเดินหน้าในการย้ายเมืองหลวงจากกรุงจาการ์ตาที่อยู่บนเกาะชวาไปยังจังหวัดกาลิมันตันตะวันออกที่ตั้งอยู่บนเกาะโบ น, นียว หลังประสบปัญหาการจราจรติดขัดความเสี่ยงของการเป็นเมืองจมน้ำรวมถึงความแออัดของประชากรในเมืองหลวงที่มีผู้อยู่อาศัยนะคะเกือบ30ล้านคนรัฐบาลนะคะทุ่มเงินกว่า 3.40 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะในการที่จะสร้างเมืองหลวงใหม่ในปี2021และคาดว่าจะใช้เวลาในราวๆาว 5-10 ปีค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะของการย้ายเมืองหลวงใหม่แล้วก็เรื่องของมุมมองข่าวในวันนี้นะคะก่อนจากกันค่ะก็มีเรื่องเบาๆนะคะมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะก็คือเรื่องของแองเจล n นาโจรีนะคะซึ่งเป็นซ u เปอร์สตาร์ฮอลลีวูดนะคะได้มาส่งลูกชายบุญธรรมนะคะคือแมสดอทเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย ในประเทศเกาหลีใต้นะคะซึ่งมหาวิทยาลัยนี้ก็คือมหาวิทยาลัยยอนเซซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังนะคะติดหนึ่งในสามของประเทศเกาหลีใต้หลังจากที่แมดดดอทนะคะซึ่งเป็นลูกชายได้รับการตอบรับและอนุมัติให้เข้าเรียนต่อคุณผู้ฟังคะมหาวิทยาลัยยอนเซของประเทศเกาหลีใต้นี้นะคะถือเป็นหนึ่งในสามแห่งนะคะ มหาวิทยาลัยชั้นนำนะคะของเกาหลีใต้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนะคะก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1885เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดนะคะอันอาแห่งหนึ่งนะคะของเกาหลีใต้นะคะปัจจุบันก็มีนักศึกษาเกือบ 40,000 คนนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการสอนภาษาเกาหลีแล้วก็มีนักเรียนต่างชาติทั่วโลกนะคะมาเรียนที่นี่ ได้รับการจัดอันดับนะคะล่าสุดจาก QS University Ranking นะคะให้ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดนะคะของเอเชียนะคะอันดับที่16นะคะแล้วก็จุดเด่นนะคะของมหาวิทยาลัยนี้ก็คือการผ ส, ผสมผ ส, สานความเป็นเกาหลีกับ ความเป็นสากลเข้าด้วยกันนะคะและที่สำคัญเราจะเห็นความอนุรักษ์นิยมของเกาหลีก็คือเรื่องของภาษาที่ติดตามป้ายอาคารต่างๆในมหาวิทยาลัยที่เป็นภาษาเกาหลีแท้ ในความเป็นสากล น, นะคะยอนเซก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัย อ, อันดับต้นๆของเกาหลีที่มีนักเรียนและนักวิจัยชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรเกาหลีและหลักสูตรนานาชาติค่ะมีการแลกเปลี่ยนงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะและที่สําคัญค่ะเขามีสิทธิ์เก่าที่มีชื่อเสียงนะคะอย่างเช่นประธาน LG นะคะซึ่งเป็นบริษัทอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะที่บ้านเราก็มีขายนะคะคือนาย โกพลมูผู้ก่อตั้งเว็บไซต์นะคะอีแจอุงนะคะผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ชื่อดังนะคะก็คือดวมนะคะคือนายอีแจอุงประธานบริษัทฮอนไยนะคะก็คือซองโมฮอนรัฐมนตรีกระทรวงการค้านายคิมจงฮุนนักร้องนะคะคิมโดยุง และผู้ก่อตั้งค่ายเพลง JYP Park Jin y o องเรียกได้ว่ามีสิทธ์เก่าที่มีชื่อเสียงนะคะค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะการมีสิทธิ์เก่าที่มีชื่อเสียงนะคะก็ทำให้มหาวิทยาลัยนั้นมีชื่อเสียงไปด้วยค่ะวันนี้รายการมุมมองข่าวคงต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่มาหนังคนะันหน้าสวัสดีค่ะรายการมุมมองข่าว